พระไตรปิฎกเล่มที่สิบพระสูตรที่เจ็ดมหาสมัยสูตรว่าด้วยการประชุมครั้งใหญ่ของเทวดาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัทแควนสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โมใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปซึ่งล้วนเป็นพระอระหันต์มีเหล่าเทวดาจำนวนมากจากสิบโลกธาตุมาประชุมกัน เพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมภิกษุสงฆ์เทพชั้นสุดท่าว่าสี่องค์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและกล่าวคาถาองค์ละคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคเทพองค์หนึ่งได้กล่าวคาานี้ว่าการประชุมครั้งใหญ่ในป่าใหญ่มีหมู่เทพมาประชุมกันพวกเราพากันมายัางธรรมสมัยนี้ก็เพื่อได้เยี่ยมสงฆ์ผู้ไม่พ่ายแพ้ ธรรมมาสมัยในที่นี้หมายถึงสถานที่ที่ประชุมเพื่อฟังธรรมจากนั้นเทพอีกองหนึ่งได้กล่าวคถานี้ว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นมีจิตมั่นคงทำจิตของตนของตนให้ตรงภิกษุผู้เป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ไว้เหมือนสารถีผู้กุมบังเหียนขับรถม้าไป เทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดังตะปูตัดกิเลส ด, ด, ดังลิมสลักถอนกิเลสดังเสาเขื่อนได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์เป็นผู้ปราศจากมนลทินเที่ยวไปเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคผู้มีจักสุทรงฝึกดีแล้วเหมือนช้างหนุ่มฉะนั้นสำหรับคาว่ามีจักสุ หมายถึงมีพระจักสุห้าคือมังสะจักขูปตาเนื้อทิพภจักขูปตาทิพปัญญาจักขุปตาปัญญาพุทธจักขูปตาแห่งความเป็นพุทธะสมันตะจักขุปตาเห็นรอบเทพิฏสงงหนึ่งได้กล่าวคถานี้ว่าเหล่าชนผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจะไม่ไปสู่อบายภูมิ การละไกมนุษย์แล้วจะทําให้หมู่เทพเจริญเต็มที่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุถึงเรื่องเหล่าเทวดาสิบโลกธาตุที่มาเข้าเฝ้าว่าแม้เทวดาของพระพุทธเจ้าในอดีตและในอนาคตก็จะมีประมาณมากเท่านี้เราจักบอกชื่อของหมู่เทพจักระบุชื่อของหมู่เทพจักแสดงชื่อของหมู่เทพ เธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าเราจะกล่าวเป็นคาถาเหล่าผู้มะเทวดาอาศัยอยู่ในที่ใดเหล่าภิกษุก็อาศัยอยู่ในที่นั้นภิกษุเหล่าใดอาศัยซ่อเขามีจิตมุ่งมั่นมีจิตตั้งมั่น พวกเธอมีจํานวนมากเร้นอยู่เหมือนราชสีคุมความขนพองสยองกล้าวได้มีจิตสะอาดหมดจดผ่องใสไม่ขุนมัวพระศาสดาทรงทราบว่ามีภิกษุกว่าห้าร้อยรูปผู้อยู่ในป่าในเขตกรุงกบิลพั์จึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย มูเทพมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักเทพเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพากันทำความเพียรในที่นี้หมายถึงการเข้าพละสมาบัติจึงมียานอันเป็นเหตุให้เห็นพวกอามนุษย์ปรากฏขึ้นภิกษุบางพวกเห็นอามนุษย์หนึ่งร้อยตนบางพวกเห็นหนึ่งพันตนบางพวกเห็นเจ็ดหมื่นตน บางพวกเห็นหนึ่งแสนตนบางพวกเห็นมากมายไม่มีที่สิ้นสุดอมนุษย์อยู่กระจายไปทั่วทุกทิศพระศาสดาผู้มีพระจักสุส่งทราบเหตุทั้งหมดส่งกาหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหมู่เทพมุ่งมากันแล้วเธอทั้งหลายจงรู้จักหมู่เทพเหล่านั้น เราจะบอกเธอทั้งหลายด้วยวาจาตามลำดับยักษ์เจ็ดพตนที่เป็นภูมิเทวดาอยู่ในกรุงกระบินพัทยักษ์ห0 0 0ตนอยู่ที่ภูเขาหิ ม, มพานยักษ์สา0พันตนอยู่ที่ภูเขาสาตาคีรียักษ์เหล่านั้นรวมเป็น1 000, 6 0 0งตนยักษ์ห้ารตนอยู่ที่ภูเขาเวสสามิตกุมภีรยักษ์ ผู้รักษากรุงราชคฤห์อยู่ที่ภูเขาวเวปุละทั้งหมดมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองหมายถึงประกอบด้วยอนุภาพมีผิวพันธุ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายหมายเหตุอย่าลืมนะครับว่าคำว่ายักษ์สามารถแปลได้หลายอย่างในหนึ่งหมายถึงเทพ เท้าทัตรสปกครองทิศตะวันออกเป็นหัวหน้าของคนทันเท้าวิรุณหักกะหรือเท้าวิรุณหกปกครองทิศใต้เป็นหัวหน้าของพวกกุมพันเท้าวิรูปักปกครองทิศตะวันตกเป็นหัวหน้าของพวกนาบเท้ากูเวนหรือเท้าเวสวรันปกครองทิศเหนือเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์เท้าทั้งสี่เป็นมหาราชผู้มียศ แม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากและมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเท้าจาตุมหาราชนั้นมีแสงสว่างส่องไปโดยรอบทั่วทั้งสี่ทิศสถิตยอยู่ในป่าเขตกรุ่มกบิลลับฮั พวกผู้รับใช้ของเท้าจาตุมหาราชเหล่านั้นก็มาด้วยกุเตนทุเวเตนทุวิภูวิตุตะจันทนะกามเสตถากินนุมันทุและนิมันทุก็มาด้วยปานาทะโอปมัญญะมาตลิผู้เป็นเทพสารถีจิตตเสนะนโลราชาฉโนสภะปัญจสิกขะคันธันพระเทวราชาชื่อติมพารุ และขันธานพระเทวทิดาชื่อสุริยวัชชาก็มาด้วยเทวราชเหล่านั้นและคนทันอื่นๆที่มาพร้อมเทวราชต่างยินดีมุ่งมายัางป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งหมู่นาคที่อยู่ในสะนาพสักและที่อยู่ในกรุงเวสาลีมาพร้อมด้วยพวกนาคตัดฉะนาคกรรมพลและนาคอัศดรก็มาด้วย และนาที่อยู่ในท่าปายาคะก็มาพร้อมด้วยหมู่ยากนาผู้อยู่ในแม่น้ํายมุนาและนาที่เกิดในตระกูลทัตตรศผู้มียศก็มาพญาช้างเอราวันก็มาอย่างป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเหล่าครุฑผู้เป็นทิพมีเนตาบริสุทธิ์ผู้สามารถจับนาคาราชได้ฉับพลันผู้บินมาทั้งอากาศถึงท่ามกลางป่ามีชื่อว่าจิตสุบัน เวลานั้นพวกนาคราชไม่มีความหวาดกลัวเพราะพระพุทธเจ้าทรงกระทําให้ปลอดภัยจากครุฑนากับครุฑเจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะต่างมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอาศุลพวกที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อพระอินผู้ถือวัชิราวุธอาศุลเหล่านั้นมีฤทธิ์มียศเป็นพี่น้องของท้าววาโวะพวกอาศุลกาลกัญชะ มีร่างน่ากลัวมากพวกอสูรทานเวคสะอสูรเวปาจิตติอสูรสุจิตติอสูปรปหาราทะและพยามานามุจีก็มาด้วยบุตรของผลิอสูรหนึ่งร้อยตนที่ชื่อว่าเวโรจนะทุกตนต่างสวมเกราะเข้มแข็งเข้าไปใกล้าราหูจอมอสูรแล้วกล่าวว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่ท่านควรเข้าไปสู่ป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเวลานั้นเทพสิบหมู่คืออาโปปัตตวีเตโช ว, วาโย ο, วรุณะวารุณะโสมะยศศดเหล่าเทพที่เกิดด้วยอำนาจเมตตาชาญและกรุณาชาญที่เคยบำเพ็ญมาเป็นผู้มียศก็มาด้วย ทั้งหมดล้วนมีผิวพันธ์หลากหลายมีฤิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพสิบหมูคือเวนทูสหลีและเทพสองหมูคืออสมะลายะมะก็มาเทพพวกมันทวาลหักะมีพระนักสัตว์นำหน้ามา ระอินผู้เป็นเท้าสักกะผู้เป็นเท้าบุรินทะทะท้าวาสุวะประเสริฐกว่าเหล่าเทพวสุก็มาเทพอีกสิบหมู่คือสหภูผู้รุ่งเรืองดังเปเลวไฟอริธกะโรชะผู้มีรัศมีดังสีดอกผักตกวรุณะสหธรรมอจจุตตะอเนช ก, กะสุเลยะรุจิระ แล้ววาสวเนสีก็มาเทพอีกสิบหมู่คือสมาณะมหาสมาณะมนุษะมนุษสุตมะรมขิทาปทูสิกมโนปธูสิก ะ, กะหาริโลหิตตะวาสีปาราคะและมหาปาราคะผู้มียศก็มาเทพอีกสิบหมู่คือสุกกะกะรุมหะอรุณะเวคณะ โอทาตะไครหะผู้เป็นหัวหน้าวิจักณสณาสัทรตะหารคชะมิสกะผู้มียศและประชุนเทวราชก็มาเทพอีกสิทหมู่คือเทพพวกเขมิยะเทพชั้นดุสิตเทพชั้นยามาเทพพวกกันต ก, กะผู้มียศเทพพวกลามพีตกะเทพพวกลามเสทะเทพพวกโจติอาสวะเทพชั้นนิมานารดี และเทพชั้นปรนิมิตาสาวัตีก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพันธ์หลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพทั้งหมดหกสิบหมู่ล้วนมีผิวพันธ์หลากหลายมาแล้วตามกํากหนดชื่อหมู่เทพและเทพพวกอื่น ผู้มีผิวพรรณและชื่อเช่นนั้นก็มาด้วยคิดว่าพวกเราจะเข้าพบพระนาคข้อนี้เป็นพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้าเพราะไม่ทำความชั่วพวกเราจะเข้าพบพระนาคผู้ไม่มีการเกิดไม่มีกิเลสดังตะปูผู้ข้ามโอคะได้แล้วหมายถึงโอคะสี่คือกามพบทิฏฐิและอวิชชาผู้ไม่มีอาสวะ ผู้พนโอคะได้แล้วล่วงพ้นธรรมดำดังดวงจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้นสุพรมและป ร, ะมะะรมัตตพรมผู้เป็นบุตรในที่นี้หมายถึงพุทธบุตรผู้ที่เป็นอริยส า, าวกของพระผู้ทรงฤทธ์หมายถึงพระพุทธเจ้าก็มาด้วยสนางกุมารพรหมและติดสัพรมก็มาอย่างป่าที่ประชุม ท้ามหาพรหมหนึ่งพันองค์ปกครองพรหมโลกท้ามหาพรหมนั้นอุบัติขึ้นในพรหมโลกมีความรุ่งเรืองมีกายใหญ่มียศก็มามีพรหมสิบองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าพรหมหนึ่งพันองค์มีอำนาจเฉพาะองค์ละอย่างก็มามหาพรหมชื่อหาริตะมีบริวารห้อมล้อมมาอยู่ท่ามกลางพรหมหนึ่งพันองค์นั้น เมื่อเสนามานมาถึงพระศาสดาได้ตรัสกับพวกเทพทั้งหมดเหล่านั้นพร้อมทั้งพระอินทร์และพระพรหมผู้ประชุมกันอยู่จงดูความโง่เขลาของการทํมมานมหาเสนามานได้ส่งเสนามานไปในที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพด้วยคำว่าพวกท่านจงไปจับหมู่เทพผูกไว้พวกท่านจงขูกไว้ด้วยราคะเถิดจงล้อมไว้ทุกด้าน ใครๆอย่าได้ปล่อยให้ผู้ใดหลุดพ้นไปแล้วก็เอาฝ่ามือตบแผ่นดินทำเสียงน่ากลัวแต่ในเวลานั้นไม่อาจทำให้ใครตกอยู่ในอำนาจได้จึงกลับไปทั้งที่เครียวกโกรธเหมือนเมฆฝนที่บรรดาให้ฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบเะนั้นพระศาสดาผู้มีพระจักสุขทรงทราบเหตุทั้งหมดทรงกำหนดแล้ว จึงรับสั่งเรียกพระสาวกคู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเสียนามานมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักพวกเขาภิกษุทั้งหลายทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพากันทําความเพียรเสียนามานหลีกไปจากเหล่าภิกษุผู้ปราศจากราคะไม่อาจแม้ทําคนของภิกษุเหล่านั้นให้ไหวได้พญามารกล่าวว่า หมู่พระสาวกของพระพุทธเจ้าชนะสงครามแล้วทั้งสิ้นล่วงพ้นความหวาดกลัวมียศปรากฏอยู่ในหมู่ชนบันเทิงอยู่กับผู้ทั้งหลายพูดในที่นี้หมายถึงพระอริยะในศาสนาของพระทศพลคือพระผู้มีพระภาค พ, พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจบมหาสมยสูตร หมายเหตุผู้อ่านสำหรับท่านที่ชอบบูชาเทพก็ขอให้ฟังจากพระสูตรนี้นะครับแล้วเลือกบูชาเทพที่มีอยู่จริงตามหลักศาสนาจากพระไตรปิฎกที่เป็นคมภีรสูงสุดของพุทธซึ่งน่าจะดีกว่าการเอาตนไปบูชาเทพนอกศาสนาที่พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสถึงและไม่มีใครประกันได้ว่ามีจริงเทพเจ้าต่างๆในศาสนาอื่นลองพิจารณาดีๆจะเห็นว่ามีที่มาที่ไปไม่ต่างกับนิยาย ที่มีเทพมีกิเลสและการกำเนิดที่แปลกประหลาดซึ่งหลายเรื่องดูเกินเป็นจริงไปมากถ้าจะพิจารณาให้ดีแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงว่าหลายศาสนาเป็นสมมุติเทพเป็นการนำคุณธรรมต่างๆมาสร้างเรื่องราวผูกเรื่องให้เป็นกุศโลบายให้คนได้ทำความดีหรือมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นนะครับซึ่งก็มักจะต้องยึดเป็นที่พึ่งจนไม่สามารถพึ่งตนเองได้จริง ซึ่งต่างจากพระพุทธศาสนาที่เน้นให้พึ่งตนเองอาศัยความดีของตนเองเพื่อพ้นทุกข์ตัดวงจรกรรมตัดทางสุอบายได้จริงถ้าขอพรจากเทวดาแล้วรวยโชคดีแต่หลังตายต้องไปเกิดในอบายภูมิในนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือต้องวนเวียนเกิดมาเจอทุกข์ไม่จบสิน้นลองคิดดูนะครับว่าคุ้มไหมกับสุขแค่ชั่วคราว ที่ยิ่งขอยิ่งเพิ่มกิเลสตัณหาอนนาพาไปสู่ความทุกข์ให้ตัวเองไม่จบสิน้น <_ t une> การบูชาเ <_ t une> ทวดาถือเป็นกรรมฐานข้อหนึ่งนะครับหากบูชาได้ถูกต้องบูชาความดีของท่านเหล่านั้นอนุโมทนาในความดีที่ท่านทำไว้มากมายจนไปเกิดเป็นเทวดามีสุขแล้วน้อมจิตคิดว่าทำอย่างไรถึงจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างท่านบ้าง แล้วทําตามนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดสรารณะสูงสุดสําหรับชาวพุทธที่แท้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพระสงฆ์ในที่นี้ก็ต้องหมายเหตุด้วยว่าเป็นพระสงฆ์ผู้บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบานันจนถึงอรหันนะครับการไหว้เทวดากระทําได้เหมือนเด็กเคารพผู้ใหญ่ กราบไหว้ความดีของท่านหากอยากให้เทวดาช่วยสิ่งเดียวที่เทวดาผู้มีฤทธิ์จะช่วยและอยากช่วยเราก็ต้องเพราะเรามีความดีที่ทำถวายท่านไม่ใช่สิ่งของไร้สาระที่คนธรรมดาบางทีก็ยังไม่อยากได้เลยทั้งของกินของใช้เทวดาท่านมีฤทธิ์มีของทิพย์มีสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับแต่สิ่งที่เทพผู้มีฤทธิ์จะอนุโมทนาก็คือ การทำความดีซึ่งถ้าฟังพระไตรปิฎกจบท่านจะทราบเองว่าการทำทานรักษาศีลประพฤติ ธ, ธรรมปังธรรมเป็นสิ่งที่เหล่าเทวดาผู้มีฤทธิ์และมีอยู่จริงอนุโมทนาและสามารถมาช่วยเหลือท่านได้ด้วยเหตุแห่งบุญนั้นอย่างไรโปรด จ, จำว่าการบูชาเทพนอกศาสนายึดเป็นที่พึ่งนั่นถือเป็นการประพฤติตนที่ผิดทางพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ขวางการบรรลุธรรมจะทำให้ท่านบรรลุธรรมไม่ได้และไม่ถือว่าท่านเป็นชาวพุทธโปรดเรื่องเอาเองนะครับว่าอยากพ้นทุกข์หรือไม่บุญจากการยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะมีอานิสงส์มากประมาณไม่ได้แต่คนพุทธจำนวนมากกลับไม่เข้าใจแล้วหันไปนับถือบูชาเทพนอกศาสนาบูชาพูดผีปีศาจหรือสิ่งที่คิดว่าขลัง โดยไม่เข้าใจว่าพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีอำนาจและอย่างความเจริญให้ท่านได้จริงกว่าแค่ไหนปากไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณาและศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแล้วท่านจะพบว่าลาบยศสุขสัรเสริญสิ่งทั้งหลายที่ท่านต้องการจะได้มาโดยง่ายด้วยการปฏิบัติ ต, ตามคาสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งส่งสอนไว้หมดแล้วและมีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วนะครับกราบเรียนฝากถึงพระคุณเจ้าทุกวัดที่จะสร้างรูปปั้นอะไรให้คนบูชาขอวิงวอนและขอร้องให้ปั้นเทพที่มีอยู่ในศาสนาเท่านั้นเถอครับและจะดีกว่ามากถ้าจะนำพระอสิติอรหันตสาวกผู้เด่นในแต่ละด้านมาปั้นให้คนได้บูชาซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นการบูชาพระสงฆ์ที่เป็นสงฆ์แท้เป็นสังขานุสติและสามารถเรียกลาบสักการะเข้าวัดแต่ละแห่งได้จริงด้วยอีกทั้งยังเป็นกุศโลบายที่เกิดเป็นประโยชน์ได้จริงกว่านะครับอย่างเช่นพระอาศิติแต่ละท่านมีความเด่นในด้านไหนหากเราปั้นให้บูชาก็นำพระคุณของท่านนั้นๆมาเป็นอานิสงฆ์แห่งการบูชา เช่นท่านพระอานนท์เป็นผู้ที่จดจำข้อความได้เก่งมากจาได้ละเอียดใครที่ประสงค์จะมีความจำดีก็ให้ไปไหว้ท่านพระอานนท์บูชาระลึกถึงพระคุณของพระอานนท์ว่าท่านมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ด้วยเหตุแห่งสังคานุสติการกราบไหว้ท่านพระอานนท์ขอให้ข้าพเจ้ามีความจำดีอย่างพระอานนท์ด้วยเถิดแลวก็จะดีอีกมากนะครับถ้าหากจะมีกุศโลบาย ซึ่งจริงๆไม่ใช่กูสโลบายแต่เป็นความจริงเขียนแปะไว้เลยว่าการบนอะไรกับเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆวิธีแก้บนที่ดีเป็นอย่างไรแล้วก็มีสิ่งต่างๆหลายอย่างให้เลือกเช่นเลือกศีลมาสักหนึ่งข้อเพื่อเป็นการแก้บนปฏิบัติศีลข้อนั้นให้ได้บริสุทธิ์จนกว่าจะสิ้นชีวิตการทาดีกับพ่อแม่หรือการทาความดีต่างๆ ซึ่งจะเป็นการแก้บนหรือเป็นการบูชาที่ดีที่สุดสำหรับเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ตรงและเกิดประโยชน์ได้จริงกว่าถ้าทุกวัดร่วมมือกันทำแบบนี้นะครับความงมงายก็จะหมดไปอย่างน้อยถ้าจะบูชาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังส่งผลให้เกิดประโยชน์มากกว่าการเอาสิ่งไร้สาระตุ๊กตาเอยมา้าไม้เอย หรือของกินของใช้ที่น่าจะคิดกันได้บ้างว่าเทพต่างๆนั้นแม้แต่พระพุทธทองค์เองท่านก็ปริทิพานไปแล้วไม่ฉันอะไรแล้วทุกวันนี้นะครับคนพุทธจำนวนมากบูชาพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์หรือบูชาเทพแทบไม่ต่างกับบูชาผีผีเท่านั้นนะครับวิญญาณเร่ร่อนหรืออบปฏิกะชั้นต่าเท่านั้นที่ยังต้องการกินของ การเส้นสวงบูชาอย่างที่เราทำกันนะครับลองพิจารณาให้ดีนะครับเทวดาผู้มีฤทธิ์มีอาหารทิพต์มีทุกอย่างเป็นทิพย์จะต้องการสิ่งบูชาที่เราหลายคนชอบบูชาหรือเปล่าและพระพุทธเจ้าทรงป ร, รินิพานนานแล้วท่านจะมาเสวยอาหารที่เราถวายหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นสินลพะตะปรามาร เป็นข้อวัดปฏิบัตินอกศาสนาซึ่งพระพุทธองค์เองท่านก็ตรัสไว้ชัดนะครับว่าการบูชาที่ดีก็คือการปฏิบัติบูชาเท่านั้นทานศีลภาวนาการฟังธรรมการเจริญสติคำสอนของพระองค์ปฏิบัติให้ครบถ้วนนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและเหล่าเทวดาผู้มีฤทธิ์จะสรรเสริญและชื่นชม จึงฝากไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับสำหรับวัดหลายแห่งที่ปั้นเทพนอกศาสนาและนำสิ่งนอกศาสนามาให้คนบูชาทั้งผู้ให้บูชาและผู้ไปบูชาอยากถามว่าท่านไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือครับหากสวดพุทธทางสารนงทำมังสรนงสั่งคังสรนงกันทุกวัน ปากก็บอกและสวดทุกวันว่าจะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่กลับนำสิ่งนอกศาสนามาให้คนกราบไหว้หรือกลับไปไหว้สิ่งนอกศาสนาการทำเช่นนี้ถือเป็นการทำลายศาสนาเป็นบาปร้ายแรงมากนะครับวัดที่ดีขอแค่ประพฤติดีทำถูกต้องตามวินัยเคร่งครัดจริง ไม่จําเป็นต้องเอาของขวังมาหรสพดนตรีหรือเทพอะไรมาให้บูชาหากเราเข้าใจศาสนาจริงเข้าใจอย่างละเอียดท่องแท้เราจะรู้หลักในการสอนคนจะรู้หลักในการสร้างกุศโลบายที่ถูกต้องที่จะชักจูงผู้คนแม้ว่าเขายังมีปัญญาไม่มากก็สามารถให้เขาเข้ามาถูกทางเข้าใจธรรมะได้จริง หลายวัดนะครับที่ทำถูกทางก็มีผู้คนหลังไหลทําบุญมหาศาลมีให้เห็นอยู่มากมายเลิกถึงนะครับกลับมาเดินตามรอยพระบาทศาสดาดังคำสอนที่ท่านสอนไว้ในพระไตรปิฎกเพื่อร่วมกันสืบต่อพระศาสนาให้ยืนนานที่สุดการใช้กุสโลโบายก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าจะไม่พาไปสู่ความงม ง, ง, งายและใช้เป็นสิ่งล่อชั่วคราวซึ่งอย่างที่บอกนะครับ ว่าถ้าเกิดพิจารณากันจริงเราสามารถสร้างกุศโลบายที่ไม่ผิดพระธรรมวินัยได้มากมายยังไงก็ขอฝ่าทุกท่านให้ได้พิจารณานะครับว่ากว่าพระพุทธองค์จะทรงเพียรสะสมบารมีจนเป็นพระพุทธเจ้าและประกาศศาสนาจนสืบต่อมาถึงทุกวันนี้แต่สุดท้ายกลับถูกพวกเรากันเอง หรือแม้แต่ผู้ที่ปฏิญาณตนตอนบวชว่าจะทำนิพพานให้แจ้งดูเหมือนว่าจะทำหลายอย่างที่ถือว่าเป็นการร่วมกันทำลายศาสนากันอย่างหน้าตาเฉยโดยที่หลายคนคงแปลกใจว่าทำไมถึงไม่มีการจัดการจริงจังจัดระเบียบได้จริงเลยทั้งที่เรามีองค์กรเพื่อศาสนาหลายหน่วยงานและมีงบประมาณจำนวนมากก็ฝากท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยกันจรนหลงพระศาสนาทําทุกอย่างให้ถูกต้องถ้าเราตั้งใจจริงเข้าถึงธรรมจริงผมเชื่อนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิดให้ถูกให้ตรงได้อย่าเน้นปริมาณกันนักเลยนะครับถ้ามีนักบวชจํานวนมากแต่ไม่เข้าใจพระธรรมไม่มีศีลไม่มีวินัยไม่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระศาสดาจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับ สู้เรามีพระแค่ไม่กี่รูปแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีวัดแค่ไม่กี่วัดแต่เป็นวัดที่บริสุทธิ์ผุดพองถูกหลักธรรมวินัยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้พระศาสนาจะยืนนานและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้จริงไม่มีใครทำลายศาสนาพุทธได้นอกจากพวกเรากันเองที่ไม่ยอมศึกษาไม่ยอมปฏิบัติ การรักษาศาสนาให้สืบต่ออย่าหวังแค่รอพึ่งกับพระนักบวชหรือองค์กรต่างๆเท่านั้นนะครับทุกคนสามารถร่วมกันจันโลงและสืบต่อพระศาสนาได้ด้วยการศึกษาธรรมถ้าทุกท่านสละเวลาในหนึ่งชีวิตได้ฟังพระไตรปิฎกจนจบขอแค่พระวินัยกับพระสูตรก็เพียงพอแล้วนะครับก็จะทาให้ทุกท่านมีทางเลือกเห็นความจริง ว่าอะไรถูกอะไรผิดและก็จะเป็นหลักในการพิจารณารู้ว่าวัดไหนพระไหนปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติผิดทางเมื่อเรารู้ว่าที่ไหนถูกที่ไหนผิดเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะสนับสนุนให้โจรอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปหรือจะช่วยกันบำรุงพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ววัดที่บริสุทธิ์ ทำถูกทางทำถูกต้องตามคำสอนของพระศาสดาจึงขอฝากให้พิจารณาไว้กันทุกท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งขอให้เจริญในธรรมครับ